3.6 ธรรมะอยู่กับเราตลอดเวลาวงเล็บเปิดยีตุลาคม2549จุดจุดนาที17วงเล็บปิดศาสนาพุทธไม่ใช่เรื่องนึกเอาเองหรือไม่ใช่เรื่องศรัทธาธรรมะมันไม่ใช่เรื่องไปฟังคนอื่นได้ต้องมารู้จักกายมารู้ใจตนเองจนเข้าใจความจริงของกายของใจนั่นแหละเรียกว่าเข้าใจธรรมะเพราะกายกับใจของเรานี่แหละคือธรรมะกายเรียกว่ารูปธรรมใจเรียกว่านามธรรม ธรรมะอยู่ที่นี่ธรรมะไม่ได้อยู่กับพระนะธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดธรรมะไม่ได้อยู่ตอนเข้าคอร์สธรรมะอยู่กับเราตลอดเวลาเราละเลยที่จะรู้ธรรมะของเราเองมัวแต่เรียนธรรมะภายนอกวิ่งไปเรียนสำนักโน้นสำนักนี้มันไม่เข้าใจหรอก